<c oughs> อาริยสัตร์ทุกขาริยศัตร์ในของเอาไปทำปริญญากันบ้างพอสมควรแล้วเนาะซึ่งก็นับว่าฟังยาวนานเต็มทีเหมือนกันนะทุกขาริยศัตร์ <c oughs> ของพอสรุปวิธีการทำปริญญาในทุกขาริยศัตร์ว่าอย่างไรกันบ้าง <c oughs> เราเล่าให้ฟังว่า วิธีทําปริญญาในทุกขาริยสัตว์โดยสรุปคุณมุนมีทําไงไอไโอ้ตายเลยโทษของวัตตะจริงๆผมยังไม่รู้เลยคาว่าปริญญาเนี่ยมันไจลทุกวันมไม่รู้มันเขื่ออะไร <laughs> พูดกันบ่อยปริญญาปริญญาไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรในห้องเรานี่มีอย่างนี้อีกไหมผ <laughs> มมาที่หลังเพราะว่อมมาอยาเลยเรตัวตัวนั้นลดวอลุ่ม ย, ยใครดีเนาะ ทำปริญญาในทุกขาริยศาสตร์ให้ฟังหน่อยเพราะว่าฟังทุกขาริยศาสตร์มานานแล้วซึ่งจะได้ผ่านในหัวข้อทุกขาริยศาสตร์สถทีหนึ่งแต่ว่าอยากให้ฟังให้ใหสรุปให้ฟังบ้างสรุปมั่งเลยเหรอ ก็พิจารณาในลักษณะว่าเอาเอาลักษณะการอารมณ์ที่ที่เกิดขึ้นทางทวารต่างๆเนี่ยเอามาพิจารณาลงไปในอัถะของของทุกทุกขาริยศาสตร์ซึ่งมีสี่อัฐะตรงนั้นและบางบางขณะเนี่ยก็จะพิจารณาไปถึงสมุทัยศาสตร์ด้วยถ้าบางครั้งที่ที่เกิดฉันทะราคะหรือเพลิดเพลินในอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางทวารทั้ง6 ก็อันนี้คร่าวๆอย่างนี้ ไปทำปริญญาอย่างไรตันแดงไปเจริญว่ า, างไงบ้าง อัญญาในสังขาในอเพราะเราเพื่เพอะะเรงางมีทา ง, งาต้าอมาจนงถ้าความดักสิ่งเหลานี้มีเนี่ยคือเราคงจะพบกับความสุกคงไม่ต้องมาถึงที่ีก็พิจารณาว่าตอนนี้เนี่ยคือมีโยผู้สมรจิการว่าตอนนี้เราได้นนเจรจาอนุญาตมีองค์แเพื่อดักเพื่อลั่งสิ่งนี้หรือยัอยอยงจะจะใช้พิจารณาก็จะไล่าตามว่าเพราะเป็นสมาชิที่วิญญางเป็นรือไม่เ อะลิมาคมองแปรเลยว่าตอนนี้ขณานี้เป็นอย่างนี้พียงังถ้าอย่างเป็นเป็นเราก็จะตื่นในอะลิมาคมองแปรแล้เป็นอยังไง้างเขาพิจารณาไปคือมันก็คงไม่ตลอดแต่แล้วแต่ถ้าสภาพไหนที่เรามียมสงและสิตญาหรืออย่างเช่นถ้าเราทํางานเนี่เจอสภาพคนไข้ที่นั้นเขาคือทุกขเวกงานเขามีเยอะแต่ที่อาจารย์แนะนําว่าเพราะขาเพชาติเขาจะเป็นยังนี้เพรามีความเกิดก็ต้องมีชะาได้หนะความศิญาจิต ก็เพราะเขาเพ่มเอนฝันให้เขาทุกคนก็พิจารณาได้ว่าเป็นอะรต่างๆจ้ยังไงใ้ยนอย่างไร้้ำนมว่าไงมีโพยด้วอ้าวว่าไปอออ๋อ เกิดพรรษาก็ดูกายกรรมการกระทำของเรานะคะแล้วก็ดูถ้าจะดูดูขนาดนั้นเนี่ยดูถ้าจะเลื่อนทิศนาไปก็เราก็มีแค่ภาพข่นจัตนะมีดินน้ำลมไฟนะก็ดูวัจิกกรรมคำพูดของเราซึ่งอยู่ในสีที่ป่าแล้วก็ดูพฤติกรรมการคิดของเราซึ่งซึ่งมีความคิดที่ถูกผิดเอาไม่เอาหรือชอบไม่ชอบซึ่งมีปัญหาอยู่ด้วยแล้วก็ดูจิต เป็นโลกกระทำหรือเปล่าใช่ไหมคะพอดูว่าเป็นโลกกระทำหรือเปล่าแล้วก็เออโลกกระทก็เป็นเป็นธรรมชาติเกิดแก่เสกตายเปล่านะคะโลกกระทำกับกับกับธรรมชาติคือคือไว้วัดคำเนี่นะคะแล้วก็ดูอว่าเออข้ออะไรข้อเรามีขันขันนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากปัญหาที่เราเคยก่อมาแล้วขณะนี้เนี่ยเรามีเรามีทเวีนธนาแล้วมีสานะที่ไห น, น แ้วจะก่ออย่างนี้้เกรเ ป, ะ ป, ะ ป, ะปะถ้าเป็นเช่นนี้เราควรหรือที่จะก่อพบและกอว่าก็คือถามว่าไปทำป ร, ริญญาในทุกมายัางไงบ้างการเก็บทำาัไง นี่ก็คร่าวๆโดยสรุปเป็นกระสอนทนำดับติดๆว่างไงเอาก็เหมือนเล่านั่นแหละอาว่าไปเหอะ อตอนนี้คล่องสูตรนั้นนะแล้วเอามาพิจารณาเป็นปกติก็รู้ว่าเออแบมันร้อนตามันร้อนร้อนว่าอะไรอะไรนี่นนะเร า, าพิจารณาได้ยาที่เกิดขึ้นมาอืมก็รู้สึกว่าเราเราไม่พิจารณาเองแต่เราเอาสูตรมาใช้จนได้อกว <ๆ S 2> ่าประยุกต์วิชาการมาใช้จนได้อ่า ไม่คิดเองละคิดตามอย่างเดีวอเป็นสาวบกเนาะคุณกอยใจว่าไงนะวันก่อน่ะเปิดอมเหมือนเป็นข้นุบาค่ะเไม่คยเป็นค่ะแล้วก็จะอ่านการตราลาที่ารู้สึกว่าเดจะเอาาานรเของพระอาจารย์แล้ววันก่อนว่า เปิดอะไรนะเป็นหลักจะเอาอะไรนะเป็นหลักที่เล่าให้ฟังวันก่อนอะเอาเอาสวดมวนต์เป็นหลักนะมุณชูสีบ้างไง ตอว่จวองกลกนตัวนได้ตัวสัโยนค่ะสองนีสัโด้อะไรน้องที่จะัคิดมาถ้าโสดาทุกจะรได้แค่สออืมอะตัวนี่อะไรบ้างอ๋อไม่บอกก่อนะอออุบไว้ก่อน มีศรัทธาตัวอย่างต้องได้แล้วบุค<ม>คลจะล่าม อ, อาข้ามโอค่าได้ด้วยศรัทธาเ<ม>ชื่อว่าได้ก็ต้องได้<ม>เชื่ อ, อย่างเดียวก็ไม่พออี่แล้วใช่ไมแ <c oughs> ม่ครูว่างไงนะี่อฮะจะให้ว่าท่าไหนว่างไง จะทำปริญญายังไงทุกษาตร์เนี่ยเรียนจนจะจบคอร์สแล้วเนี่ย กำลังจะทำยาตะปริญญาอยู่อาจารละมุนทำปริญญาบ้าไงอ๋ออนุบาลเนาะมันเขียนรายงานไม่เป็นคุณมูช้ชเป็นยังไงทำปริญญาในทุกยีง มีร่างับสัมภตัสัมต า, าแล้วมีปริมามะมีร่างนักก่ามันมีการเบียดเบียนนะก็คือเบียดเบียนสึ้นกานและการเองอะ น, น, เนะหมปรุทลขอกินหาุทลุบเน่ยะแล้วมันเป็นปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะมีเหตุปัจจัยพร้อมเขาก็เกิดเหตุปัจจัยเขาไม่พร้อมเขาก็สัพาไปได้ ปัญก็คือมีการเผาให้เลารออ้อนที่บอกภูรายกระบนตรไ ว, ไวเดือดร้อนเล่าร้อนแล้วก็มีความแปร ป, ปรวนเป็นธรรมดานั้นพิจารณาตรงนี้ไปในการสาม มุนโชรายสี่สิบโตเลยนึ่งผการให้คะแนนยัง ลองเล่าวิธีที่เคยไปทำมาบ้าง <c oughs> คือเออผมเนี่ยถามตัวเองอยู่เลยนะครับว่าเออปริญญาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วเราก็เคยเขียนแล้วก็เคยแนะนำนะล้วก็บอกว่าเออปริญญานี่สำคัญนะเราเนี่ยเราจะทำ ปริญญาเนี่ยเราทำยอะไรย่างนะัควรจะทําปริญญาอะไรดีเคยถามตัวเองบ่อยๆครับควรจะเอาธรรมะอะไรมาทําปริญญานะในที่สุดก็ต้องกลับไปหาปริยัติอีกครับว่าเอ อ, อท่านถามบอกว่าทําปริญญาในทุกขษัตริย์อ่ยังไงบ้างใช่ไหมครับก็ต้องลงไปถามว่าทุกขษัตริย์คืออะไรนะถ้าทุกขสัตริย์ก็คืออุปาทานขันห้า เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอาอุปาทานขันห้าเนี่ยมาทํำปริญญานะักปริญญาหมายความว่าไงก็หมายความว่าเอามาเอามาวิเคราะห์เอามาวิจัยเอาขันห้านี่แหละมาวิเคราะห์วิจัยหรือว่าถ้าจะกล่าวง่ายๆว่าขันห้าอยู่ที่ไหนก็ขันห้าก็อยู่ที่ที่ตัวเรานี่แหละนะฮะก็เอาตัวนี่แหละมามาวิเคราะห์มาวิจัยนะครับ ลาการที่จะเอาทั้งตัวมาก็ ก, ก็ก็ไม่ใช่วิธีนั้นพระผู้มิภาคก็ทรงกระจายตัวออกไปเป็นเป็นรูปกับนามนะฮะตอนนี้ก็การที่จะทำวิจัยเนี่ยนะฮะเรื่องรูปเนี่ยจะง่ายกว่าจะเออง่ายกวานามน ะ, ะ เ, เช่นกายานุปัสนาเนี่ยก็คือการเอารูปน ะ, ะรูปธรรมของเราเนี่ยมามาทำปิญญา ในรูปของเราเนี่ยในรูปธรรมของเราเนี่ยนะพระองค์ก็ยังแยกออกไปเป็นเป็นปทัททวีนะฮะเป็นเตโชอาโปวาโยนี่นะฮะก็ไล่ออกไปเรื่อยนะครับหรือว่าถ้าจะาแยกออกไปในลักษณะที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอายตนะภายในเอายตนะภายนอกนี่นะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นการแยกแยะอุปาทานขันห่าวออไปเป็นส่วนๆก่อน แล้วจึงเอาแต่ละส่วนนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์วิจัยถ้าหากว่าเราสามารถวิเคราะห์วิจัยส่วนใดส่วนหนึ่งได้แล้วรู้วิธีแล้วนะฮะก็เป็นอันว่าเราสามารถที่จะวิจัยส่วนอื่นๆได้เช่นสมมุติว่าเอาตามาทำเอ่อทำปริญญานะครับซึ่งผมมักจะคิดถึงตาก่อนนะฮะเมื่อเอาตามาทำปริญญาเนี่ยนะฮะถามว่าทำไมต้องทำปริญญา ก็พ่อบอกว่าไอตานี่น่ยมันเป็นทุกข์นะฮะตาเนี่ยมันเป็นทุกข์เมื่อตามันเป็นทุกข์นี่นะฮะเราก็ยังไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นทุกข์ตาใดที่ยังไม่ทําปริญญาอยู่เราก็ยังไม่เห็นว่ามันเนี่ยมันเป็นทุกข์นะต่อเมื่อเอามาทําปริญญาแล้วเราจึงจะเห็นชัดเจนนะว่าเป็นทุกข์นะซึ่งเป็นทุกข์ที่สารพัดทุกข์เลยนะฮะเมื่อการทําปริญญาเอาตามาทําปริญญานี่นะฮะ ก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ชีวิตไม่ให้มีตาต่อไปนะ ก, ก็โดยที่จะต้องไปหาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวตาเองว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีเหตุให้เกิดอย่างไรมันมีคุณอย่างไรมีโทษอย่างไรแล้วก็มีวิธีที่จะไปดับมันอย่างไรมีวิธีที่จะไปสลัดมันออกอย่างไรนะครับก็มันนึกว่าเออเราลองเอาตามาทําปริญญาดูนะครับ ซึ่งเมื่อนำตามาปริญญาแล้วในขั้นต้นได้แก่ยาตาปริญญาเนี่ยก็ผ่านมาหลายครั้งเต็มทีแล้วพระอาจารย์ช่แยกแยะให้ดูหลายครั้งเต็มทีว่าตานั้นประกอบไปด้วยห้าสิบสี่รูปเป็นกลุ่มๆๆแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยน ะ, ะก็แยกออกไปเช่นกลุ่มของจกกักรภาษาทะกลุ่มของกายภาษาท่กลุ่มของภาวะอะไรเนี่ยนะฮะกลุ่มของอาหารกลุ่มของอุตุของกิจเนี่ยพอแยกออกไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่านี่เป็นการวิจัยขั้นต้นว่าเออนี่ตา ตามันประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้นะ <c oughs> ถามว่าตาเหล่านี้เนี่ยนะมันประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ต่อไปว่ามันมันอ่ามันเป็นทุกข์ไหมมันยั่งยืนไหมมันเที่ยงไหมนะฮะ <c oughs> การแยกแยะเอาอันนี้ออกไปเนี่ยจะทําให้เราก้าวไปสู่การทําตรีนักปัญญาต่อไปซึ่ง ถ้าจะกล่าวว่าตีนปริญญาอะไรคืออะไรก็คือโตโตทั้งหลายที่เมื่อกี้นี่คุณบุญชูนั่นแหละนะครับอันนี้จะโตทุกโตโลกโตสัระโตคันโตอะไรเนี่ย <c oughs> ทั้งหมดสี่สิทธะไข่ทองได้นี่นะก็หมายความว่าเป็นการวิจัยชั้นขั้นสูงขึ้นไปแล้วแต่ก็จะต้องอาศัยการวิจัยขั้นพื้นฐานก่อนที่เรียกว่ายาตะปริญญาเนี่ยจึงจะเห็นชัดซึ่งผมก็เอารองเอา เอาตาเนี่ยซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มๆแล้ว5้สีรูปแล้วเนี่ยก็เอามาตรึกดูนะครับโดยเฉพาะผมมักจะเอาเอ า, เอ า, อากลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าอาหารละช ก, กรลาบเนี่ยมามาวิเคราะห์ดูนะครับว่าเออตานี่ต้องไปพึ่งอยู่กับอาหารซึ่งอาหารนั้นเนี่ยก็สามารถแยกออกไปได้เป็นตั้งแตดรูป แต่ก็คิดว่าเพียงแค่ว่าเราแยกเป็นกลุ่มๆนี้ล้วก็พอจะเห็นแล้วว่าตานี้มันไม่เที่ยงเพราะไอ้ตัวปัจจัยเหล่านี้เองที่มันไม่ที่มันไม่เที่ยงนะครับแล้วก็ลองวิจัยต่อไปว่าถ้าหากว่ากรรมมัชรูปได้แก่จากคูภาษาถ้าข้อมีกรรมเป็นปัจจัยกรลาบนี้ก็เป็นเพราะกรรมนั้นได้เป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นครั้งแรกเรียกว่าเป็นปฏิสนธิและกรร ม, มัชรูปครั้งแรกเลย แล้วในระยะทุกวันทุกวันนี้กรรมก็ส่งผลมาให้ทุกอนาทุกอนุขณะของจิตเนี่ยถ้าหากว่ากรรมที่ทำไว้เนี่ยไม่ส่งมาแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าเกิดหมดกรรมก็ดีนี่นะครับตานี้ก็เป็นอันว่าก็หมดไปหรือว่าถ้าตานี้เกิดเป็นผลกรรมที่ไม่ดีนั้นตาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ตราบใดที่ยังกุศลให้ผลอยู่ตาก็คงจะมีต่อไป นะฮะแล้วก็ยังเรานึกว่าเออถ้าอย่างนั้นแล้วตามันจะเที่ยงได้อย่างไรในเมื่อกรรมเราทําไว้ในอดีตเนี่ยมันก็สารพัดมันก็สารพัดที่ว่าเราทําเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างหรือว่าทําทางทวารไหนทางอ่าเป็นทานก็ดีเป็นศีลก็ดีเป็นภาวนาก็ดีเนี่ยกรรมก็สารพัดแล้วก็กรรมนั้นก็ทําทางทวารต่างๆก็แตก ต, ต, ต่างกันไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นกรรมที่ส่งผลให้เรานี้เนี่ย ในอดีตเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะทํากรรมดีตลอดหรือว่าทำกรรมชั่วตลอดแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ทํากรรมไม่ค่อยดีเนี่ยมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงหาความมั่นคงของความเที่ยงเราที่จะไปไว้ใจหรือเชื่อถือในเหตุที่เราทำมาในอดีตเนี่ยเออเชื่อถือไม่ได้ในเมื่อเหตุในอดีตเนี่ยซึ่งมันเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งของตาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามองเห็นเลยว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยตาไม่เที่ยง ตาไม่เทียงแน่นี่ถ้าเราเอาแค่สองกลาบหรือสามกลาบมาวิเคราะห ja really, ์เราจะเห็นว so ่าเออตาไม่เทียงจริงๆและพระภ right ูทิภาคก็จะถามว่าเออตาเที่ยงไหมบอกอ๋อไม่เทียงแล้วสิ่งไม่เที่ยงมันเป็นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะมันเป็นทุกข์พระเจ้าข้าเราก็อ่านมวแล้วมันเป็นทุกข์พระเจ้าข้าเนี้ยนะก็สิ่งใดที่มันไม่เทียงด้วยมันเป็นทุกข์ด้วยควรวลือที่จะตามเห็นมันว่ามันเป็นของเราเออแล้วมาถามตัวเองว่าเออแล้วนั่นตาของเราเหรอนะ ตาของเราเหรือนั่นของเรานั่นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราเหลือเนี่ยนะที่ตามํา น, นวนว่ า, านั่นของเรานั่นเรานั่นของเรานั่นตัวตนของเรานี่นะเราก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเราแนะ่การที่เราจะเห็นความไม่ใช่ของเราตรงนี้นี่แหละเป็นเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับนี่เรายังไม่ได้ <c oughs> พิจารณาไปถึงระดับตรีนปัญญานะครับ เพียงแต่ว่าคิดเข้าๆก็เห็นแล้วว่าเออนี่นะในขั้นพื้นฐานคือขั้นยาตาปริญญาก็เห็นแล้วว่าตาไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่นะฮะแล้วก็ตาก็เข้าลักษณะอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยครับที่คุณทารินีบอกมันปีละะมันเบียดเบียนมันเบียดเบียนก็คิดว่ามันเบียดเบียนก็เบียดเบียนจริงๆนะฮะมันเบียดเบียนด้วยลักษณะที่ตัวมันเองเนี่ยต้องต้องมีโรคมีอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเบียดเบียนตัวมันเองอยู่แล้วนอกจากนั้นแล้วตามยังเบียดเบียนเราด้วยเราถูก เราถูงอายตนะภายนอกเนี่ยปล้นเราอยู่เรื่อยเลยเพราะว่าตาเนี่ยเป็นสาเหตุให้การทําอักขุศลเนี่ยมากเหลือเกินเนี่ยนะครับนี่เราก็เห็นเขาบีกชั้นหนึ่งแล้วว่าเออนี่นะตาเนี่ยมันมันปีรณะจริงๆนะหรือมันสันตาปัญะนี่กับมอนกัรเนี่ยนะก็ทำให้เราเห็นแล้วเกิดความเร่าร้อนเกิดโทสะนี่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าตานี่มันมันเผาเราแล้วมันสันสันดาบและมันสันตาปัญะเนี่ยนะ หรือว่ามันไม่มันเปลี่ยนแปลงก็เห็นแล้วว่าเคยดูรูปตาเราเล็กๆเนี่ยตาเราเล็กนิดเดียวเดี๋ยวนี้ตาก็โตขึ้นแล้วก็เวลานี้ก็ตากำลังจะหิวลงแล้วเนี่ยอะไรอย่างเนี้ขึ้นว่าเขเป็นตาโมวิปรินามะหรือว่าสังคตะมันเกิดจากจากปัจจัยป ร, ปรุงแต่งอย่างที่ผมเรียนเมื่อเมื่อกี้นี้นะครับว่าตามันเกิดจากปัจจัยเยอะแยะตั้งห้สิบสี่รูปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคิดในแง่ไหนนะเมื่อเอาปริยัติมาคิดแล้วก็จะทําให้เห็นให้เห็นอ่อ่า ว่าตาเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นโทษมันไปเป็นภัยแล้วก็เมื่อทําปริญญาไปแล้วนอกจากจะเห็นทุกข์แล้วเราก็จะเห็นสาเหตุของที่ขอให้เกิดตานี้นะมันในตัวแล้วเห็นก็เห็นไปตามลักษณะเห็นทุกข์เห็นอสสาธาเห็นอาทีนวะอะไรเนี่ยนี่ก็เป็นเป็นปริญญาซึ่งมันก็คือก็คือการวิเคราะห์หรือวิจัยนั่นเองนี่นะครับ ไม่ทราบว่าจะเยืนเจอไปหรือเปล่าไม่ทราบครับก็พยายามจะตึกนั่แต่ขอโทษนะครับตรึกไม่ค่อยบ่อยอย่างหนึ่งนะครับตรึกไม่บ่อยอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรึกไม่ค่อยนานนักอย่างห น, นึ่งนนะเนี่ยเนี่ยด้วยด้วยสาเหตุว่า เนื่องจากว่าศีลเรายังไม่ค่อยดีสุจริตสามเรายังไม่ค่อยดีนะสมาธิเรายังก็ยังบกพร่องอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องการทำปริญญาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการเจริญมิปั ส, สนานั่นแหละนะถ้าหากว่าพื้นฐานยังไม่ดีนะผมว่าก็ก็คงจะอีกนานครับ